Thank you. สำหรับชีวิตของเราที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสสนาอย่างน้อยเราก็ได้รู้ในเส้นทางที่จะเป็นไปเพื่อสุคติในปาโลกหน้า นั่นก็หมายถึงว่าเราจะต้องมีความตายและไปสู่ในภพใหม่ฉะนั้นในเรื่องของภูมิภพชาติเนี่ยใครที่ไม่ได้ศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาก็จะมีการเข้าใจผิดผิดถูกถูกไปบ้าง <c oughs> แต่ถ้า เราได้ศึกษาจริงแล้วเราจะเห็นเฉพาะการใช้พระชาติของพระพุทธเจ้าเองก็แสดงชัดเจนว่าในขณะที่บำเพนบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ก็ย่องสเสวยพระชาติอยู่ไม่ใช่น้อย กว่าจะบำเพ็ญบารมีได้เต็มเปี่ยมนั่นเป็นการยืนยันว่า <c oughs> สิ่งนี้เนี่ยย่อมเกิดกับเราท่านทุกคนจะมั่งมีรวยจนเนี่ยความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยไม่ใช่หยุดอยู่เฉพาะว่าชาตินี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะหยุดในสถานะที่เป็นอยู่ เช่นนี้ก็จะมีการเวียนไปตามบุญกรรมที่เราได้สั่งสมอบรมมาจุดนี้สำคัญและจนถึงที่สุดของความเกิดที่เวียนว่ายตายเกิดจะมีอยู่ในพบหนึ่งที่เราจะรู้สึกว่าเรา เบื่อนหน่ายต่อความเกิดจะมีจุดหนึ่งนะเราเบื่อนหน่ายต่อความเกิดเบื่อนหน่ายต่อการวนเวียนที่ไม่รู้จบในภพน้อยใหญ่พอถึงจุดนี้เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามนะจะมุ่งสแสวงบําเพ็ญเพียรเพียนเพื่อหลุดเพียนเพื่ออ อ, อก เพียเพื่อให้สิ้นไปจากความเกิดในภพน้อยใหญ่จริงอยู่บางคนเนี่ยกขามีสุคติภูมิก็ เ, เวียนเกิดอยู่ในสกุลที่ดีในตระกูลที่ดีมั่งคั้งด้วยกุศลที่ตนได้ทำมาในทุกภพชาติจนรู้สึกเหมือนกับในครั้ง พุทธการก็มีอยู่สองพี่น้องได้ถวายตอบพระปฏจเจกกับพุทธเจ้าแล้วก็ได้ตั้งเจตนาไว้ทั้งสองคนพี่เนี่ยตั้งเจตนาว่าขอให้ข้าพระเจ้าจงรู้แจ้งเห็นธรรมดังที่ท่านได้รู้เห็นแจ้ง และให้สิ้นไปจากวังวนแห่งสังสารทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้เทินส่วนผู้น้องก็อธิษฐานว่าขอให้ข้าจงเป็นผู้อุดมมั่งคั่งด้วยโพคัพยัและในที่สุดขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ได้บรรลุคุณธรรมยมเชื่อไหมว่า หลังจากได้ถวายที่พระปัจเจกุธิจ้างออกจากนิโรธสมาบัติก็ได้สมดังที่ตนได้ตั้งความปรารถนาไว้ทั้งสองผู้เป็นพีนะ่ไม่นานก็ได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงก็คือหมดจากกิเลส ไม่เวียนไหวตายเกิดอีกเลยก็จบลงตรงนั้นแต่ส่วนผู้น้องเนี่ยเกิดอยู่ในตระกูลวันนะสะกุลที่สูงศกมั่งคั้งมั่งมีเงินทองมีโภคะมากวนเวียนอยู่ในทิพยวิมานบ้างสวรรคสมบัติมนุษย์สมบัติอยู่ตั้งหลายพบหลายชา จนเกิดในครั้งสุดท้ายตนรู้สึกเบื่อหน่ายต่อชีวิตที่เกิดไม่เห็นสาระจะมั่งมีสักขนาดไหนก็รู้สึกว่าตนไม่ยินดีในทรัพย์แล้วเอาว่ากินจนเอ่ยอโยม <c oughs> นอนจนไม่รู้จะพลิกไปไหนแล้ว เดินจนไม่รู้จะเดินไปไหนเที่ยวจนไม่รู้จะเที่ยวอย่างไรทุกอย่างเขาเรียกว่าจุดอิ่มตัวพอถึงจุดอิ่มตัวแรงอธิษฐานที่มีวักสองว่าและให้ค่าจนถึงการบรรลุคุณธรรมจิตก็น้อมไม่ยินดีต่อ ความเกิดอีกเลยสุดท้ายก็ทำลายที่เรียกว่าสังโยชน์ก็คือเครื่องที่ผูกร้อยรัฐมัดสัตว์ให้มีพบทำลายสังโยชน์ออกไม่ว่าสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงทำลายออกหมดไม่ว่าการบันชะก็ดี ทำลายได้หมดเริ่มตั้งแต่สักจะทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตนเช่นเห็นว่ารูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไปสํสำคัญว่าเป็นตัวตนบัดนี้ความเห็นเนี่ย เป็นสัมมาทิฏฐิได้เห็นว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงอีกต่อไปสิ่งนี้ไม่ตั้งอยู่นานมีความแตกดับในที่สุดก็สรุปได้ในสังโยชน์แห่งการไปมั่นหมายฉนั้นผู้ที่ภาวนาอยู่ตอนนี้ พวกเราไม่ใช่ภาวนาแบบยึดติดในรูปกายทั้งที่รูปกายที่สวยหรือไม่สวยดำหรือขาวสูงหรือเตี้ยอ้วนหรือผอมก็ตามจะแข็งแรงอยู่หรือจะมีโรคาที่อยู่ก็ตามแม้ยศอำนาจก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงและก็จีรังได้ มันก็เหมือนกับลมหายใจที่เราหายใจมันก็ไม่ใช่ว่าเที่ยงโยมกำหนดดูกำหนดก็รู้เอาสติระลึกรู้ก็เห็นตามความเป็นจริงลมหายใจเราไม่เที่ยงแม้แต่ลมพัดผ่านกายที่บอสบายก็ไม่ได้เที่ยง ต่อให้ดื่มน้ำเข้าไปในช่องปากเราน้ำนั้นใช่ว่าจะอยู่กับเราในกายนี้เที่ยงมันก็ขับถ่ายบางครั้งก็เป็นเงลือมันก็ไม่ได้เที่ยงพอกำหนดได้ก็ทำลายสักยทิทิความถือในตัวตนว่า รูปเที่ยงเวทนาเที่ยงแสดงว่าบุคคลที่เขาใช้ในสุคติจนถึงที่สุดมันมีจุดอิ่มตัวโยมเชื่อไหมว่าตามาเคยสร้างจินตนาการว่าเรานั้นตอนนี้รวยเป็นระดับมีเงินเป็นแสนแสนล้าน ไม่ธรรมดารวยเป็นแสนแสนล้านก็มานั่งเกาหัวว่าจะทำอะไรเนาะซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ทางซื้อที่เห็นว่าชอบทุกอย่างที่ขวางหน้าซื้อเสื้อผ้าซื้อให้มันหมดเงินก็ยังเหลือถามว่าจะ เอาไปไหนต่อคิดไปคิดมาไม่รู้จะซื้ออะไรซื้อสนามกอล์ฟก็เท่านั้นซื้อสนามฟุตบอลก็เท่านั้นไม่รู้เอาไปใช้อะไรซับทีนี้ก็มาคิดว่าเราควรทำประโยชน์อะไรในทรัพย์ก็นั่งคิด ก็บำรุงบำเรอกิเลสทั้งหมดก็ซื้อมาก็ถามมาซับท่านรู้เพียงใช้แค่นี้เองหรือแล้วบอกว่าที่เหลือนั้นรับไม่เที่ยงนะอยากจะซื้ออะไรซื้อที่เหลือรับไม่เที่ยงชีวิตก็ไม่เที่ยงชีวิตจบซับก็หมดทันทีทุกอย่างถูกเปลี่ยนถ่ายเทหมด เริ่มทุกข์แล้วมีเป็นแสนล้านสุดท้ายก็มาดูบอกเออสิ่งนี้ก็คือเราควรจะแบ่งปันควรสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณชนควรสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติที่เราเกิด ก็คิดว่าทำอะไรสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสร้างสถานสงเคราะห์ช่วยเหลือโครงการมูลนิธิต่างๆจึงได้รู้ว่าทรัพย์ตรงนั้นเพิ่งมีค่าขึ้นมานอกกนั้นมันเป็นกิเลสตัณหาที่สนองตัวเองมันก็ได้แค่ ชีวิตที่ไม่เที่ยงเท่านั้นเองโอ้ประโยชน์ของเรามันมีค่าตอนที่เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสลักเป็นผู้รู้จักแบ่งปันคือเป็นผู้รู้จักการทำทานะปาเรมีโอจะมาบอกไม่น่าเชื่อทรัพย์ที่มีค่าตอนที่เรา เป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้ขอหรือปนเปื้อกิเลส ข, ของตัวเองนอกจากนั้นมันยังไม่มีค่าอะไรเลยมันลึกซึ้งพนะอพิจารณาและต่อจากนั้นเราจะทำอะไรอีกก็บอกสร้างบุญกุศลที่ละเอียดไปอีกบำรุงพระพุทธศาสนา บำรุงสมณชีพรามผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบบูรณะปฏิสังขรสิ่งที่เป็นปูชนียสถานเราเพิ่งคิดออกบำเพ็ญทานบารมี เราเพิ่งรู้ว่าทรัพย์ของเรามีค่าตอนเป็นผู้ให้นี่เองไม่ใช่ตอนมีแล้วนึกว่าทรัพย์มันจะมีค่าค่าของทรัพย์มันยังไม่เกิดประโยชน์ตรงที่เรายังไม่เป็นผู้ให้จากะเป็นผู้แบ่งปันสลักยมลองทำดู ถ้าทำเป็นโยมจารวในเงินหนึ่งร้0ยหนึ่งัหนึ่งหนึ่งล้านหรือจะมากกว่านั้นก็สุดแล้วแต่แล้วมากำหนดดูว่าระหว่างเราไปซื้อกิเลส ก, กับสร้างกุศลค่าทางจิตใจอะไรที่มันจะได้ยิ่งกว่ากันไม่กำหนดจริงๆไม่รู้นะ ไม่รู้แต่พอกำหนดจริงจริงจริ ง, รงบอกเออเราสัมผัสได้จิตที่เป็นบุญเราเริ่มสัมผัสได้การทำบุญเราเริ่มที่จะรู้จักการทำบุญเป็นเริ่มเข้าใจเข้าใจเข้าใจสุดท้าย มาจบตรงที่ว่าทรัพย์ที่มีมันก็คือเป็นเพียงเหตุปัจจัยในการดำรงชีวิตเพื่ออยู่รอดจากความหหิวความหนาวความร้อนและยามเจ็บป่วยก็ได้มียามารักษาพอยามอำลาทรัพย์นั้นหมดหน้าที่จบแล้วธรรมะจริงบอกว่า เรารู้แล้วว่าทรัพย์ที่มีควรทำอย่างไรถ้าไม่ใช้อย่างนั้นมีอีกสักกี่แสนแสนล้านมันก็คือการสนองตัวตนของตัวเองสนองเผ่าพันธุ์ของตัวเองเพียงเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรที่มันเกินกว่าที่จะเจริญที่จะเป็นไปอีก ไม่มีอะไรดีไม่ดีตรงกันข้ามกลับเป็นคนเห็นเกตตัวเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อจะให้ตนมีทรัพย์ยิ่งขึ้นไปแต่ามาบอกท่านไม่รู้จักการใช้ชีวิตจริงท่านไม่รู้จักทรัพย์ที่มีอยู่จริงๆท่านใช้ไม่เป็น เป็นแต่ผลาญไปเรื่อยๆหมดแล้วหมดเลยนะเพราะในปรโลโรคนะ้าท่านไม่มีบุญไม่มีทานอยู่เลยแล้วจะเอาโภคะมาจากไหนไม่มีก็แสดงว่าเราใช้บุญเก่าจนหมดกินบุญเก่าจนเกลี้ยง หมดบางคนมีเงินทองไม่รู้จากการตอบแทนบุปการีผู้เป็นบิดามารดาผู้มีคุณไม่รู้ไม่ดูแลท่านไม่รักษาท่านยามเจ็บป่วยกรจะจัดงานศพทีเดียวเป็นความคิดที่ไม่ฉลาดเลย ไปทำไปทำดีตอนที่ท่านตายเนี่ยนะธรรมาไม่ทําต่อมาจะเลือกทําที่ตอนตาท่านเห็นเห็นอยู่ธรรมาชอบคํานี้การทําบุญก็เหมือนกันทําตอนตาเห็นเห็ น, หนทําตอนที่เราสาทุกโดยตัวเองตอนเป็นๆ เ, เรายังไม่ทําเลย และยอมคิดหรือว่าตอนตายนะจิตมันจะเกิดเป็นมหากุศนจิตไม่มีทางฉะนั้นในที่สุดการท่องอยู่ในภูมิแม้สุคติอันมีทธิพยสสมบัติก็ตามพอถึงในชาติหนึ่ง ความเบื่อนหน่ายที่เรียกว่านิพพิธายานญาณแห่งความเกิดขึ้นด้วยการเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายนะไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนและหากแก่นสารกับมนุษย์ที่มีกิเลสไม่ได้ตรรมาเขตที่บวชก็มีจุดนี้ด้วย ก่อนจะบวดรู้ก็รู้สึกว่าเราสแสวงหามนุษย์ที่มีกิเลสที่หาความบริสุทธิ์อยู่ในมนุษย์คนนั้นสุดท้ายธรรมา ก, กำหนดได้ว่า เหนื่อยเปล่าเราหาความบริสุทธิ์กับมนุษย์ที่มีกิเลสชาตินี้เป็นโมคะอย่ากระนั่นเลยจึงกำหนดว่าใครเป็นผู้ไม่มีกิเลสแท้จึงมาลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อาตมาจริงมั่นใจเลยว่าผู้ที่ตรัสรู้เท่านั้นเป็นผู้ชี้ทางเราได้จริงๆอาตมากำหนดเลยนะและตั้งแต่เริ่มบวชมาอาตมาศึกษาพิสูจนธรรมะจริงๆว่าอะไรของเท็จอะไรของไม่เท็จอะไรของแท้อะไรไม่แท้ พยายามจับผิดทุกอย่างที่เข้ามาบวชในหลักคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าเพราะกลัวกลัวความไม่จริงเรามันทุ่มเทและไปเจอสิ่งไม่จริงแล้วเหมือนชีวิตจะอยู่ไม่ได้ก็กลัวปฏิบัติจริงๆ กำหนดจริงๆพิสูจน์จริงๆคืนวันเนี่ยไม่ใช่ตรรมาดวงตาที่บวชแล้วหลับสนิทนะไม่มันยังสงสัยเหมือนอยากรู้ว่าบวชมามันมีอะไรให้กับชีวิตที่เราเข้ามาและได้อะไร ไม่อย่างนั้นจะเสียชาติที่เราเราเกิดมาอายุเราก็จะหมดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืยกระทุ่มเทหลายปนะีในช่วงห้าปีเต็มเต็ม น, นะแต่มาคน้นทุกซอกทุกมุมในการภาวนา จนสุดท้ายจิตมันวางรู้แล้วว่ายิ่งศึกษายิ่งเห็นความจริงยิ่งปฏิบัติเท่าไรนะเหมือนตัวเราเนี่ยเป็นผู้ไกลจากธรรมต่างหาก ทีนี้ไม่ได้สงสัยธรรมะสงสัยใจของเราว่าเราทำได้เพียงไหนพระพุธเทธเจ้าเรานั้นข้ามฝั่งแล้วแต่ของเราเนี่ยยังไม่ได้ลงเลยลงฝั่งลงน้ำที่จะข้ามฟากเลยยังเลย น, นมาในดึกสงัดค่ำคืนหนึ่งออกมาช่วงตีสองตีสามตอนทำความเพียรอยู่ในห้องเก็บของมานั่งอยู่ที่ในศาลาการประเรียนก็มองพระประธานมองจ้องอยู่งั้นจนรู้สึกว่า จิตของเรามันมันสงบแล้วก็เย็นลงแล้วก็มองพระองค์ด้วยความต้องบอกว่าพระองค์เป็นผู้เหนือโลกแล้วแล้วแล้วก็อุทานออกมานะว่าพระองค์ท่าน เป็นผู้เนรทุกข์แล้วแต่ข้าพระเจ้ายังมีทุกข์อยู่จิตเหมือนพูดมันเย็นเหมือนมือจับน้ำแข็งนานๆแล้วมันชานะมันพูดแบบเย็นชานอยู่แต่มาบอกความรู้สึกได้แค่นั้นว่าพูดแบบเย็นชาพระองค์เป็นผู้เนรทุกข์ แต่ข้าพเจ้ายังเป็นผู้มากด้วยทุกข์พระองค์เป็นผู้หยุดแล้วแต่ข้าพเจ้ายังหยุดไม่ได้พระองค์ไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายแต่ข้าพเจ้ายังต้องทนอยู่สภาพที่ต้องมาแก่เจ็บตาย แล้วก็บอกพระองค์ว่าไม่อยากเกิดช่วยบอกทางทีเถอะในชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่สละไม่ได้บ้านเกิดก็เดินออกมาแล้วและไม่เคยหันกลับไปดูด้วยใจว่าเป็นของเราทรัพย์สมบัติ เราก็ไม่มีอะไรที่ต้องหว่วงเพื่อนเราก็ไม่มีตอนนี้พี่น้องเราก็ไม่มีตอนนี้ต่างคนต่างอยู่โตขึ้นต่างคนต่างก็ไปตามชะตาชีวิตแยกย้ายกันไปความรักเราก็ไม่รู้า มีใครเพราะตลอดชีพมาเราก็ไม่เห็นว่ามีใครต้องมาหวงใหญ่สักขนาดไหนยศอํานาจเราก็ไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรที่ต้องสูญเสียอีกแล้วแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะละไม่ได้ ขอให้บอกมาว่าต้องละอะไรที่จะได้คำว่านิพพานพอจิตที่น้อมไปหาธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนะมันเหมือนจะต้องเปิดหัวใจของตัวเองต้องไม่มีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ตมะบอกว่าธรรมะไม่มีเงื่อนไขแต่ใจิตใจของพวกเรามีแต่เงื่อนไขมีแต่คำว่าการต่อรองต่อรองกันมาได้อย่างนี้จะเกิดอย่างนี้พวกเรามันมีเงื่อนไขตมาก็นั่งดูไปถาม แล้วจะสิ้นสุดได้อย่างไรความเจ็บมันจะหมดเมื่อไรเรายัางตกใจแต่พระองค์ไม่มีความตกใจไม่มีความสะดุง้งมันเหมือนจิตมันโหนลับไปไม่รู้กี่ภพชาติ และก็นั่งจ้องมองจะว่ามันคนบ้าก็ใช่แต่เป็นผู้มีสติสมบูรณ์ความในใจมีเท่าไหร่มันก็เปิดเผยสุดท้ายเราก็เริ่มเริ่มที่จะสรุปจิตตัวเองว่า เราจะต้องละแม้แต่นิสัยของตัวเองเราจะเริ่มดูแลชีวิตใหม่งูมันยังมันยังลอกคาบได้ะจระจันมันก็ยังลอกคาบ ชีวิตของเราทำไมเราจะเปลี่ยนตัวเราไม่ได้เปลี่ยนจากว่าปุถุชนก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยธรรมไมจะทำไม่ได้ถ้าปฏิบัติจริงๆเดิมพันก็คือแค่ดวงจิตดวงเดียวไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายมันก็เป็นเพียงอวัยวะน้อยใหญ่จิตดวงเดียวเท่านั้นมันใกล้เข้ามาเนยทีบอกว่าผู้ใดเห็นจิตผู้นั้นเห็นธรรมที่บอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราพระ ตถาคตเรื่องจริงพอเห็นจิตอย่างนี้แล้วก็ธรรมะก็มาปรากฏแล้วก็เห็นว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่ปัญญาของโลกิยาเป็นปัญญาของ โลกุตระเป็นปัญญาของการข้ามออกจากสังโยชน์แห่งเครื่องรัฐมัดสัตว์ให้มีพบพูดง่ายๆว่ากิเลสอันผูกใจสัตว์เราต้องทำลายก่อนที่สิ่งนั้นจะมาทำร้ายเรา อาตมาบอกพวกเราเนี่ยที่มานั่งภาวนาเนี่ยเราไม่ได้มาทรมานนะเราไม่ได้มาทรมานจิตใจแต่เรามาทรมานกิเลส ข, ของใจต่างหากทาไมพระผู้เพียรเพ่งอยากบรรลุเข้าภูเข้าป่ากเข้าเขาหนีเอกราบหนีราบสการะหนียศถาอํานาจ ไม่มีจิตที่ขนไหวยันไม่ใช่กิตที่เป็นไปเพื่อทุกอันกนําหนดเหตุของทุกที่พึงละท่านจะไม่ขนไหวยในกิตนั้นแสดงว่าบวชมุ่งตรงต่อพระนิพพานกัตมาได้ยินพระท่านก็บอกบวชใหม่ๆอยากไปนิพพานนั่นบอกบวชไปนานๆนิพพานอยู่ไหน บวชไปบวชมานิพพานคืออะไรถลงทุนนี้แสดงว่าทุนหายกำไรเนี่ยหดหมดแล้วกำไรหดหมดแล้วบวชไปนานนานิพพานยุ่ไหนแสดงว่าไม่ใช่บวชเพื่อตรงต่อพระนิพพานแล้วยศอำนาจเอกลาภ บ, บางัง จิตน้อมไปสู่โลกีวิสัยไปไม่ได้ยิ่งกำหนดไปพอเราเห็นจิตอย่างนี้ก็มันรู้สึกเกิดความสังเวชเบื่อหน่ายใจของตัวเองเราจะต้องเปลี่ยน เปลี่ยนตัวเองใหม่ที่เรียกว่า น, นิวใหม่ก็ได้เปลี่ยนใหม่ไม่ได้เปลี่ยนทรงผมไม่ได้เปลี่ยนไปทำศิยกรรมรูปร่างไม่ใช่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมเริ่มตั้งแต่นิสัย ตรงนี้ธรรมาจริงใช้มอดศีลปฏิบัติกำหนดอันนี้ทรงของศีลอยู่ที่ไหนบอกรักษากายวาจาเอาอยากรู้มันจริงแค่ไหนเริ่มสำรวมกายวาจาก่อนจะพูดเราเป็นนพอพูดเสร็จคำพูดนั้นเป็นหนหเราพูดดีก็มีคุณ พูดไม่ดีมันก็มีโทษแสดงว่าให้ได้ทั้งขุนทั้งโทษกับกำนดไม่ใช่คิดแล้วอยากจะพูดตัดคำว่าอยากคิดแล้วอยากจะพูดไม่ใช่ตัดไม่ใช่พูดเอา ความสะใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพอเจอร์แล้วแสดงว่าคำพูดต้องมีสาระมีการสํารวมเริ่มแล้วฝึกพอฝึกปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมวาจานี้สงบลงเยอะเลย ไม่ใช่เห็นสิบคนเดินผ่านก็พูดทั้งสิบคนเนี่ยไปใหญ่แล้วผู้ภาวนาพูดเยอะจังเลยไปไม่ได้ยิ่งเป็นผู้ใหม่ไปไม่ได้กำหนดก่อนหนึ่งวันหนึ่งคืนพูดไปกี่คำสติหรือรู้ในองค์พูดไหม ในองค์ทำไหมวันนี้เราทำอะไรแขนขวาแขนซ้ายขาวขวาขาซ้ายทำอะไรร่างกายนี้ทำแล้วมันเป็นฝ่ายไหน วันนี้เราใช้มือทั้งสองสร้างหรือทำลายสร้างหรือทำลายเราใช้คำพูดพูดเพื่อสร้างสรรหรือพูดเพื่อทำลายกําหนดเลยรู้แล้วรู้ทันความคิดเมื่อก่อนเราคิดแล้ว เพิ่งมารู้ทันก็มีนะฉันก็อบอกว่าให้กำหนดรู้ความคิดยืนยันได้ว่าไม่มีตัวตนแต่ความคิดมีเหตุผลแต่ไม่มีตัวตนจับไม่ได้ผู้มีสติเท่านั้นจึงกำหนดได้รู้ทัน ความคิดแต่มชาติเช้าเพิ่งบอกว่าความคิดถ้าคิดไม่ดีเราลบความคิดนี้ได้ไม่จำเป็นต้องแสดงออกมาเราลบได้ความคิดแล้วก็คิดใหม่อย่างสโลแกนที่เขาบอกคิดใหม่พูดใหม่แล้วก็ทำใหม่ ธรรมะก็เช่นเดียวกันเราจะเปลี่ยนคนไม่ใช่เปลี่ยนที่หน้าตาไม่ใช่เปลี่ยนที่ฐานนะเราเปลี่ยนที่พูดคิดทำพอเข้าใจศีลวันนี้ธมามะบอกวันนี้เราจะกราบศีลใครไม่เห็นเราเห็น ใครไม่รู้เรารู้ใครไม่เข้าใจวันนี้เราเข้าใจวันนี้สีเลนะสุกติงยันติกราบหนึ่งสีเลกโพก็สัมปะทากราบสองเรารู้แล้วศีลนาไปถึงสีเลนะสุกติงยันตินําเราไปสู่ชีวิตที่มีปกติสุข กราบทาบเรารู้แล้วอตมาบอกวันนี้เราพิสูจน์แล้วว่าศีลมีจริงอานิสงส์ของการรักรักษาศีลมีจริงๆทําทำวันนี้ได้วันนี้ทำเดี๋ยวนี้ได้ที่นี่ น, นี่ก็ไขยา ย, ยานั่นะสรรพบคุณจริงๆนะ ดันมาเชื่อเลยว่าในข้อสว่าขาโตที่บอกเป็นอากาลิโกธรรมะของพระพุทธเจ้าอันบินยูชนพึงน้อมใส่ตนไม่กาหนดกาลร เ, รเวลาแต่ว่าทมที่นี่ได้เดี๋ยวนี้ใครจะรู้ไม่รู้ก็ตามยมเชื่อไหมต้องให้เป็นนักโทษแดนประหาร ในขณนะที่จะถูกประหารจะโดยวิธีไหนก็ตามถ้าขณะจิตนั้นเกิดความระลึกแล้วสำนึกเหมือนพระเทวทัตเนี่ยตอนที่จะถูกธรณีสูบลงนะจิตนั้นเป็นจิตใหม่แล้วนะ คิดใหม่พูดใหม่และทำใหม่แล้วมือนี้พร้อมที่จะพนมพนมก ร, กราบไหวพระพุทธเจ้าว่าจะพร้อมที่จะเอ่ยคาว่าขอ ข, อขมาเพราะรู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นศัตรูกับเราแต่เราเองต่างหากที่เบียดเบียนพระพุทธเจ้าคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นศัตรูให้กับเรา จริงๆพระพุทธเจ้าไม่เป็นศัตรูให้กับใครองคุริมานพระเทวทัตรู้แล้วรู้ในระหว่างที่ธรณีจะสูบถึงคอแล้วนะ่ะที่จะจมจิตวาจาแล้วก็กายน้อมเข้าสู่ สัมมาทิฏฐิและความเห็นผิดแล้ว <approaching> เชื่อไม่อานิสงตรงนี้ยมรู้ไม่ได้อะไรหลังจากเทวทัตได้หมกไม่จมสู่มหาอเวจีนารกจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าจะตรัสรู้เองและบรรลุจบตรงนั้นไม่โปรดใคร เป็นเฉพาะตนจึงเรียกว่าพระปัจเจกคือเฉพาะตัวแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าต้องนำธรรมมาบอกต่อเวเนยสัตว์และขนสัตว์ให้ออกจากความวนเวียนอยู่ในทุกน้อยใหญ่นี่อา น, นิสงส์แสดงว่าการสำนึกผิดไม่มีอะไรที่น่าละอายเลย การบอกว่าตัวเองเป็นคนผิดนี้เป็นสิ่งประเสริฐสุดเลยนะและจิตลึกๆของผู้ที่เป็นคนจริงต้องเป็นอย่างนี้หมดเลยท่านจะเปลี่ยนดำเป็นขาวไม่ได้ท่านจะเปลี่ยนขาวเป็นดำไม่ได้ดำคือดำขาวเป็นขาวเ ป, วเปลี่ยนวัฏฏธรรมไม่ได้ เราจรึงไม่มีหน้าที่ใส่ร้ายใครไม่มีหน้าที่และซ้ำเติมใครแต่มาถือคานี้ธตรมาไม่ชอบไม่ว่าใครซ้ำเติมคนธรรมาบอกคนนั้นไะม่เจริญไม่ว่าใครแต่มาไม่ชอ บ, ค, ค, นบอคนนั้นเข า, านนจะเลวแค่ไหนมาถ้าเราไปซ้ำเติมธรรมะอกคนนี้ไม่ใช่คนจเจริญ ท่านหยุดพอคนเขาเจ็บท่านไม่ช่วยท่านถมน้ำลายใส่แผลเขาท่านก็เลวอย่าแต่มาไม่ส่งเสริมและไม่เห็นด้วยไม่ว่าคนนั้นเป็นใครเราไม่มีหน้าที่ไปซ้ำเติมคนนั้นเขาเจอผิด อย่างไรก็ตามเมื่อโทษเขาได้รับท่านอย่าไปซ้ำเติมหรืออย่าไปสะใจพวกเราเนี่ยังชอบสะใจอยู่นะไม่ได้จ้าเราไม่รู้กรรมของเ็่ละโคนเราหยุดตรงนั้นแล้วจุดดูพระพุทธเจ้าเคยซ้ำเติมใครบ้างเปล่า ขนาดเทวทัตคิดฆ่าพระุทธเจ้าพุทธเจ้า บ, บอกเรามีเมตตาเสมอบุตรแห่งเราขี้ว่าราหุลเห็นไหมคิดฆ่าหมันกี่ฆ่าต้องใช้ว่าพยายามฆ่าเลยละ่ะคดีนี้หนักมากฆ่าอย่างเดียวนี้ยังน้อยกว่าพยายามฆ่านี่วางแผนทุกอย่างมีเจตนาจองล้างจองผานด้วยนะนี่เขาเรียกพวกพยายามหรือเรียกว่าพยายาม พอจิตรู้ตรมาบอกอานิสงส์ของการรักนะรักษาศีลไม่ธรรมดาตรมะกราบศีลแล้วนะใครยังไม่เคยกราบตรมาไม่รู้แต่องค์เนี้ยกราบแล้วใครไม่เคยสรรเสริญในอานิสงส์ของศีลธรมาสรรเสริญแล้วธรรมาทําไปทีละขอ้อนั่งดูศีลศีลมันอยู่ตรงไหนในเมื่อมะพร้าว กะทิมันก็อยู่ในเนื้อมะพร้าวพอเราคั้นเราจึงเจอกะทิศีลอยู่ตรงไหนมะนาวเราต้องการเราก็ผ่าเสร็จแล้วก็บีบนะ้ำมะนาวความเปรี้ยวมันก็อยู่ในมะนาวส้มก็เช่นเดียวกัน พอคั้นมันก็เป็นน้ำส้มทำไมเราไม่รู้จักเพียรตัวเองพยายามทางจิตเราจะเจอทุกอย่างแต่มาบอกทำให้จริงท่านเจอของจริงนะโดยเฉพาะในพุทธศาสนานะบางแห่งบางศาสนา บางลัที่เขาสอนอย่างนี้มีศาสนา ห, หนึ่งเขาสอนว่าจงศรัทธานในพระเจ้าอีกศาสนาบอกจงเชื่อในพระเจ้าแต่โรามาห์พู้ศาสนาสอนอย่างไรจงพิจารณาด้วยปัญญาจงรู้เห็นด้วยปัญญา พระพุทธเจ้าสอนให้ถึงคำว่าปัญญาเหมือนกับเรื่องภาษารีบุตรฟังทาจบปุ๊บถามภาษาริบุตรเธอเชื่อไหมภาษาบอกอย่างพระเจ้ากัดีแล้วสารีบุตรเธอผู้มีปัญญาพึงพิจาราก่อนของเราใช้เหตุผล ตมาเห็นพอเห็นเสร็จปุ๊บนี่แหละคือศีลศีลอยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ไกลแล้วก็ไม่ใช่อยู่ใกล้อยู่ที่การปฏิบัติอโอตอมาพอเห็นปุ๊บตมานิจปฏิบัติต่อเลยใครมาบอกท่านตกนรกตมานั่งยิ้มเลยเรารู้จักนรก ทางนี้ไม่ใช่นรกตอนหลังตมาไม่กลัวนถ้ท่านเอวังนะปฏิบัติไม่ดีจะตกนรกตมาบอกจิตที่รู้แล้วมันเลยนิ่งเพราะรู้ว่าทางใดคือนรกทางใดคือสุคติตมาเลยเราเป็นผู้ไม่หวั่นไหวครใครบอกตกนรกตมามองตาใสแล้วก็ยิ้ม ท่านไม่รู้เหมือนที่เรารู้ท่านไม่ได้ปฏิบัติจริงท่านคิดเท่านั้นเองแล้วก็พูดแต่เรารู้ว่าความจริงเป็นเช่นไรเป็นอย่างไรรู้พอธรรมะทำในขั้นของสมาธิ โอ้ธรรมานั่งเพ่งดูจนได้คำตอว่าในไม่ออกนอกไม่เข้าเฝ้าดูจิตไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงไม่ใช่สิบชั่วโมงไม่ใช่ร้อยชั่วโมงแห่งการภาวนาตอนนั้นธรรมากำหนดอยู่ประมาณสองพันกว่าชั่วโมงที่ดูอยู่ เฉพาะการภาวนาไม่ใช่ว่านั่งเดินยืนนอนเอามารวมเป็นวันไม่ใช่เฉพาะเวลาที่ภาวนานั่งดูดูดูจนรู้ว่าการกำหนดจิตอย่างไรจิตสงบสงบแบบไหนมันสงบอยู่สองอย่าง หนึ่งสงบเพราะทาามฌานข่มแต่กิเลสมีอยู่สองสงบจากจิตที่หมดกิเลสนี่คือสมุทเฉดของการได้ทมที่สุดแห่งทุก์ตรงนี้นี่คือหลักฉันระดับก็มั่นสงบแบบหินทับหญ้าเนี่ยยังอันตราย งอยู่ว่าอาศัยว่าสิ้นแล้วไปสู่พรมโลกแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไม่ตกนรกอีกนะเพราะฌานก็เสื่อมได้เหมือนที่มีเรื่องว่าฤาษีขอะมาแล้วก็ได้รับอาหารกินจน ม, มุมามากมายวันนั้นไม่ได้สำรวมสติขอกลับไปไม่ได้ หรือในระหว่างดีเหาะก็ไปเห็นสวดทรงองค์เอวของสตรีกิดเกิดกำหนัดชาญเสือก็แสดงว่าชาญนี้ยังไม่ใช่คือความหลุดพ้นแต่ชาญนี้ก็เ ป, เป็นเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราเป็นบันไดเป็นบันได ที่เราปฏิบัติก็นั่งดูในไม่ออกนอกไม่เข้าเฝ้าดูจิตดูอยู่ตั้งสามสี่เดือนเฉพาะจุดนั้นดูเชื่อไ้ยว่าแม้แต่ลุกเดินยืนนั่งนอนคนเราต้องมีเอยบทสี่ไม่ใช่นั่งอยู่ท่าเดียว ลุกเดินยืนนั่งนอนธรรมาจึงรู้ว่าสมาธิไม่ใช่คือรูปกายไม่ใช่รูปกายที่ท่านนั่งท่ายืนท่าเดินหรือท่านอนแต่สมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นแล้วไม่ใช่คือกายธรรมาบอกให้ใครบอกฉันฝึกสมาธิอยู่ที่กายเนี่ยมาบอกไม่ใช่ ฝึกจนเรารู้เออสมาธิเกิดที่จิตตั้งมัน่นนี่เริ่มรู้ละออย่างนี้เองเอาลองลุกเดินดูซิเอาเดินให้เร็วขึ้นจิตมันเคลื่อนไหมดูดนะิเอานั่งเอาดื่มน้ำเอาเคี้ยวกินเอามองขวามองซ้ายตาไปกระทบรูปมันปรุงยังไงศึกษา ทุกขณะทางหูได้ยินเสียงเป็นอย่างไรจิตกำหนดตาเห็นรูปเด็กผู้หญิงผู้ชายคนแก่กำหนดเสียงด่าเสียงหวานรูปสวยรูปไม่สวยกำหนดเอียบดน้อยใหญ่ที่เดินสติะระลึกรู้ดูเห็น เห็นกายในกายที่บอกนะเราจึงเข้าใจเมื่อก่อนเราอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจพอปฏิบัติเห็นกายในกายรู้เลยกายยกย่างหยับสติตามรู้กายมันมีการกระทำการกระทำเป็นพฤติกรรมพฤติกรรมตรงนั้นแหละที่เรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วรู้กายเห็นกายภายในกายเห็นทั้งกายไม่เที่ยง เห็นทั้งกายที่กําลังทําอะไรอยู่อ๋อสติเรารู้กําหนดอย่างนี้เองแล้วก็เห็นสุดท้ายไม่ได้ยึดถือว่ากายว่าเป็นของเราแท้มันก็เหมือนเรือนเช่ายอมจาคานี้นะร่างกายนี้เปรียบเสมือนเรือนเช่า ยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นแต่พออยู่นานๆหลงคิดว่าบ้านเช่าเป็นบ้านของเรานะหลงเกิดนานตูหูหกเจ็ดสิบปีอยู่ตั้งนานแล้วนึกว่าเป็นของเราเด็กเกิดวันเดียวตายปุ๊บเอาร่างนี้ไปเผาจบของเรานี้ต้องซ่อมแซมผุพังไป แต่จริงๆมันก็คือเรือนที่เขายืมให้อยู่เรายืมเขาอยู่เสร็จแล้วมันก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแตกธาตุลมดับธาตุไฟดับแข็งทื่อเลยไม่กี่วันก็เน่าเปื่อยก็เอาไปทำจะฝังจะเผาก็สุดแล้วแต่ประเพณีพอเริ่มเข้าใจ ในไม่ออกนอกไม่เข้าเฝ้าดูจิตนั่งรู้เลยปึ๊บรู้เลยว่าอนุสัยเก่าเรามีอะไรบันดขึ้นดีมันผุดขึ้นมานี่ไอ้ก็ตีล่าเนี่ยบอกเออมันกบดานอยู่ยิ่งกว่าใต้บาดานอีกธรรมชใช้ว่าคลื่นใต้น้ำ บนผิวน้ำดูไม่ออกนะโยมดูมานว่าข้างบนสงบเรือโอ้โหข้างล่างพวกเราเนี่ยมีคลื่นได้น้ำเยอะนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคลื่นได้น้ำเรารู้กำหนดจริงๆรู้เห็นมันมีสภาวะที่มาปรากฏอยู่ ไม่ใช่มันเกิดอยู่เรื่อยเป็นทุกวันทุกครั้งแนละ้วมันเกิดเป็นบางครั้งพ อ, พอโผล่ขึ้นมาเอาแล้วชูง่วงแล้วศัพท์กรรมฐานก็ใช้บอกชูง่วงมานะตัวตนยังมีอยู่นะมีอยู่ยังอยากดีอยากเก่งอยู่นะบางทีอยาก อยาให้เขาชมว่าฉันดีฉันเลิศฉันสวยฉันรู้จริงๆแล้วพอรู้จากธรรมะเราได้สิ่งที่ประเยชนกว่าสิ่งนั้นไม่มีความสำคัญอะไรเลยไม่มีเลยมันเป็นเปลือกคนถึงความดีเขาไม่ติดคำว่าดีแต่เขารู้ว่าดี คือสิ่งที่เขาต้องทำนั่นเองฉะนั้นกำลังใจของคนที่ทำความดีถ้าเขารู้จริงแล้วไม่เสียกำลังใจไม่เสียแต่กว่าจะรู้นะมันเหมือนจะถอดใจแล้วนะทุกอย่างะมาดูมันกว่าจะได้อะไรจะถึงที่สุดมันก็ต้องสุดสุดนะสุดสุดดู อจิตมันยังปรุงอยู่นอกในไม่ออกนอกไม่เข้าเฝ้าดูจิตแตมาเห็นเลยอ๋อเจ้ามันเหมือนงูเห่าที่นอนหลับทำเหมือนตายนะลองไปเหยียบหัดูดิเห็นเลยไอ้งูเห่านี่นอนขดนิ่งเลยดูเหมือนตายเอาไม่เขียนครั้งสองครั้งทำเฉย แต่ลองเหยียบดูดิมันหลอกทำมาให้ตายใจเหมือนกันมันหลอกว่าหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วนะหมดแล้วมันหลอกเรานะตอนนั้นนะที่ยังทากันในช่วงต้นๆ น, นะมันหลอกจิตว่างแล้วไม่มีอะไรแล้วจิตเราไม่ปรุงแต่งเป็นวิสังคาระจิตไม่มีอะไรปรุงแต่งแล้วสบายแล้ว มันมันหลอกพอแล้วบรรลุแล้วมันหลอกเรานะั่นนะ่ะทำไปกันเท่านั้นแหละที่สุดก็มีแค่ น, นี้เองเชื่อเลยโยมต้องพิสูทธิมาบอกพิสูตพิสูตว่ามันเกิดเพียงจิตที่เราขม่ม หรือเกิดจากจิตที่มันไม่มีจริงๆเอาเวลาชาญสูงๆมันข่มอยู่เหมือนกันนะนี่วนห้านี้ตายนะสงบลงนะสงบลงนะความพยายามนี้หมดนะข่มหมดความวุ่นวายนี่หมดความเครียบเคริ่มพวกเักขนอนนี่หมดความต้องเลสงสัยนี่หมด การบางคนตรงนั้นหยุดเหมือนกันนะมันขมไว้ขมไหม้แต่มาจากบอกว่าถ้าเราไม่ศึกษาจริงมันหลอกหลอกเราขมอยู่เหมือนกันนะแต่อยู่ไม่นานพอเราถอนออกจากชานมันก็ฟูเหมือนหินทําญาที่เขาว่าไว้ พอเอ ห, หินออกโดนฝนแค่ฝนเดียวนั้นแหละแต่เขียวจะไม่มีทีนี่เห็นเพราเออเราสงบจากกิเลสหรือว่าหมดกิเลสกันแน่มันต้องถึงคำว่าปัญญาไม่ใช่มาจบอยู่แค่ว่าเอาฌานคงมต้องเข้าไปอบรมเป็นวิปัสสนา ฉะนั้นวิปัสสนาคือปัญญามาชมระจิตทำเนี่ยมาชมแรกกิเลสปัญญามาชมระจิตตรงนี้ทำมาชมแรกเลยแยกเลยเห็นปุ๊บปุบปบปบ๊เห็นหมดเลยทีนี้ปัญญาเป็นตัวชมระในขันธสันดานที่มีอยู่ในรูปนามขันธ แต่มาบอกไม่มีเหตุผลอะไรที่ปัญญาของวิปัสสนาที่จะละกิเลสไม่ได้เพราะมันอยู่คนละฝั่งกันเขาเป็นคู่กัดกันมาตลอดโยงยิ่งกว่าพังพรกับงัวเห่าสิโยงเป็นคู่กัดกันมาตลอดระหว่างธรรมกับกิเลส ท่านั้นทมที่อบรมด้วยปัญญาแล้วเนี่ยชำระกิเลสเขาละสเกล ท, ธ ท, ทิธิวิกิจฉาสิลปดปรามาตกามราคะปิฆาอุบราคะอุบราคามานะอุทจะละจนถึงอวิชชาความไม่รู้ทั้งหมดสิ้นสุดลงตรงนี้ สั่งย์เบื้องต่ำเบื้องสูงละได้หมดแล้วก็มีข้อตัดสิน ร, รมด้วยนะไม่ใช่ว่าเรามาสรุปเองไม่ใช่เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องสะอาดจริงๆในจิตนั่นธรรมาบอกถ้าภาชนะไม่สะอาดเอาอะไรมาใส่มันก็เพื่อนไปด้วย ฉันเราจะรู้เลยถ้าจิตของเราไม่สะอาดจริงๆพอมีสิ่งอะไรมากระทบป๊บติดสีติดกลิ่นติดรสติดสัมผัสติดอารมณ์ติดใจมันติดอีกที่นั้นบอกว่าตัดสังงยอดไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหน จิตนั้นละได้หมดคือไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายแล้วก็วางจิตเหมือนคนบางคนปฏิบัติธรรมพอรู้ว่าวเป็นมะเร็งนะยิ้มสิอีกนะยิ้มทำไมยิ้มฉันนึกแล้ว ต้องมีสักวันต้องมีสักวันวันนี้ฉันมีแล้วตกใจมโยมโอ้ตกใจเพราะมะเร็งคือนักฆ่าตัวหนึ่งปีปีหนึ่งมะเร็งฆ่าคนตายทั้งโลกนับเป็นพันเป็นหมืน่นหรือบางปีเป็นแสน บางทีบอกเป็นมะเร็งไม่กี่เดือนสามสีากเดือนตายบางคนอยู่ปีสองปีสามปีตายบางคนยาวกว่านั้นไม่ต้องตกใจอย่างไรก็ตายอยู่แล้วตกใจหรือโยมไม่เป็นมะเร็งไม่ตายเหรอตายนอนไม่หายใจก็ตายแล้วไม่ยากอย่าตกใจ เป็นก็ไม่ตกใจไม่เป็นก็ไม่ต้องดีใจตายโถเร็วช้าไม่เกินสิบปีห้าปียาโยมเออชีวิตคนหนึ่งมันก็ซํำหนีละมันก็เท่านี้แหละอย่าตกใจลุกงสิทธิแสงธรรมเป็นมะเร็งเยอะแยะยิ้มภูมิใจ ภูมิใจได้เห็นของจริงแล้วแมจะได้กำหนดจริงๆเสี้นทีหนึ่งตายแต่ตายแบบจิตที่ไม่เจ็บแต่มีเวทานากล้าถามว่าสบายกายไหมไม่สบายไม่ต้องเป็นมะเร็งหรอกแค่ปวดท้องเนี่ยยม ปวดท้องเนี่ยปวดฟันเนี่ยโอ้เหมือนแผ่นดินจะแยกวันนี้ไม่สบายแต่ใจเราเราปฏิบัติธรรมะเราต้องแยกกายจิตแยกตรงไหนที่พูดกันตั้งนานเนี่ยไม่ใช่ เ, าเอาหูไปข้างหนึ่งเอาตาไปข้างหนึ่งบอกแยกไม่ใช่นะ อ้ น, นั่นก็เรียกขันศบแล้วไม่ใช่คำว่าแยกกายแยกจิตก็คือกายที่เจ็บจิตไม่เจ็บกายที่ป่วยจิตไม่ป่วยแยกตรงนี้เอาปัญญาเป็นตัวแยก ไม่ใช่หันโชคต่มมาเคยปฏิบัติแล้วก็เคยทำแบบนี้กันเอาเอาหัวไปข้างเอาตาไปข้างเอาจมูกไว้ที่เอาหัวเอาหัาวกระโหลกไว้ที่หนึ่งกองกองกองกองกองกองกองกองกองโอ้มันก็คืออะไรรถนั่นเองพอแยกไปเขาก็ไม่เรียกนะว่ารถเขาเรียกนี่แนบนี่โชค นี่พวงมาลัยนี่เบรกนี่คัสเนี่ยนี่มันนี่มันเกียร์เนี่ยนะคนก็เหมือนกันนี่ไส่นี่ตับนี่ม้ามนี่หัวใจพอแยกพอรวมเข้าเขาเรียกว่ารถพอรวมเข้าเขาเรียกว่าคนพอตายเสร็จก็เรียกว่าศพเปลี่ยนคำง่ายมากเห็นไหม j o n เปลี่ยนนิดเดียวเอง พอเข้าใจถึงที่สุดเราแยกเอาปัญญาจิตเราไม่เจ็บความตายไม่ใช่ทำให้เราต้องเสียใจเศร้าหมองยืนยันได้โยมสำหรับผู้ภาวนาอาตมานอนดูความตายมาแล้วจะตายจริงๆจะตายจริงๆไม่ตายเล่นๆ จิตมันไม่สนใจเลยตายเร็วช้าก็ไม่เห็นแปลกตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่แปลกถ้าใจของเราหมดทุกตายวันนี้สิ้นสุดสาทุกสาทุสา ธ, สาธุอยากให้กองลมดับจริงๆจะได้จบอยู่ยก100็ร้อยปีถ้าจิตมันบรรลุแล้วก็ไม่มีความหมายถึงร้อยปีมันก็ไม่ได้มากกว่าคําว่าจิตที่หมดกิเลส จิตกับน้อไปอีกถึงความตายและที่ว่างไม่ตกใจจึง่รียกว่าตายอย่างผู้มีสติไม่ใช่ตายอย่างผู้ไม่มีสติตายอย่างผู้มีจิตอันดับทุกข์ไม่ใช่ตายอย่างผู้มีจิตไปเสวยทุกข์ต่อมันคนละแบบกันสำคัญนะยิ่งเราปฏิบัติรู้เท่าไหร่ มันนิ่งเท่านั้นนะคนที่เคยวายวายนะชอบ ว, วายวายวายวายพอยิ่งมีธรรมรู้เท่าไหร่นะมันเหมือนกับพูดข้างในกับตัวเองมากกว่าที่มาพูดข้างนอกด้วยซ้ำไปเขาเรียกว่ามีสติรู้จิตภัยในจิตไอ้บางคนไม่พูดข้างในเลยพูดแต่ข้างนอกเลยจนไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ทิศทางจะไปไหนพูด ขนาดขับรถจะมูอยเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายดีอาวัดดวงดีกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ถ้าเราปล่อยชีวิตเหมือนไม่มีหางเสือคนะงไม่มีใครขึ้นไปนั่งกับเราหรอกโยมรำอยู่กลางแจ้งเนี่ยนะไม่มีงานอะไรเลยเนี่ยนะคงไม่มีใครดูหรอกโยมเพียนแล้วนะ เพี้ยนแต่งลิเกก็เพี้ยนแต่งชุดมโนราก็เพี้ยนแต่งหมอรัมมาก็เพี้ยนไปรำเลยสี่แยกป้อมไฟเนา ะ, ะ, ะจราจรวุ่นวายแล้วอยู่ไม่ใช่ฉันเราต้องรู้ตัวเราดูให้ชัดมองให้เห็นพยมเข้าใจนะยมจะเห็นสาระ ก่อนที่เราจะจากไปได้ยมจะสแสวงหาหนทางอันเป็นมรรคผลยิ่งกว่าหนทางอื่นขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเธอ